มองเข้ามาที่จิตชีวิตจะเป็นเรื่องง่ายจิตเป็นอย่างไรความรู้สึกในชีวิตก็เป็นอย่างนั้นความว้าวุ่นในหัวอย่างเดียวทำให้รู้สึกได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตวุ่นวายความปล่อยโปร่งโล่งใจอย่างเดียวทำให้รู้สึกว่าชีวิตเรียบง่ายสบายดีความมาคาดแค้นกลางอกอย่างเดียว ทำใรู้สึกว่าโลกทั้งใบเร่าร้อนและมืดมนความมีใจใส่ไม่อยากเบียดเบียนใครอย่างเดียวทำให้รู้สึกว่าโลกนี้และโลกหน้าเยือกเย็นสว่างสวยัยแต่เพราะเอาแต่ขุดค้นความจริงจากโลกภายนอกชีวิตจึงดูเป็นเรื่องซับซ้อนหาที่สุดไม่เจอความหาปมกันไม่ถูกว่าจะเริ่มแก้จากตรงไหนให้ไปถึงที่สุดที่ใดดีด ในเมื่อโลกภายนอกเรียมเขาวงกฎไว้ให้วกวนซ้ำซากหรืออาจมีเหยื่อล่อให้ลั่นไปงับเป็นครั้งครั้งงับได้หรืองับไม่ได้ก็มีเหยื่อชิ้นต่อไปมาล่ออีกจึงไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตไปถึงไหนในโลกนี้จริงสักทีเมื่ออยากหาคำตอบอันเป็นที่สุดให้ชีวิตอย่าคิดค้นไปข้างนอกแต่ให้สำรวจมาข้างในนับแต่ลมหายใจปัจจุบัน เห็นว่าหายใจอยู่ด้วยความสบายหรือหายใจอยู่ด้วยความกระวนกระวายอยู่ไม่สุกนั่นแหละจุดเริ่มต้นของจริงของจริงต้องอยู่ที่นี่ให้ดูได้ตลอดเวลาตลอดเวลาของจริงแสดงแต่ความไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวต้องหายใจเข้าเดี๋ยวต้องหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าอย่างเป็นสุขเดี๋ยวหายใจเข้าอย่างเป็นทุกข์ เมื่อใดที่รู้สึกถึงความไม่เที่ยงของลมและสุขทุกนานาเมื่อนั้นจิตจะเริ่มปรากฏความเป็นผู้สังเกตการชีวิตเห็นชีวิตไม่เที่ยงเห็นโลกรอบตัวไม่เที่ยงใจถอนจากอาการต้องยึดแน่ๆและต้องเอาให้ได้ชีวิตเหลือแต่ความพยายามทำในสิ่งที่ควรทำไม่ดูดายแต่ก็ไม่กลายเป็นเครื่องจักรที่เอาแต่ทำโน่นทานี่ โดยไม่รู้จะทำอะไรไปเพื่ออะไรกันแน่สุดท้ายชีวิตจะได้ข้อสรุปตรงกันระหว่างมือกับใจเห็นว่าจุดประสงค์สูงสุดของชีวิตคือปล่อยไม่ใช่ยึดทั้งมือที่แบอยู่บนต่างรถน้ำศพและใจที่เป็นอิสระจากทุกพันธะในชีวิต